เป็นวัดตั้งปีครั้งช่วงนี้ใครจะมาสวัสดีนะสวัสดีดีถ้าบอกสวัสดีนะใหม่ดีดร่างกายสังขารความเดีของสังขารมันตอนนี้เรามีเพื่อนตายใหม่แล้วไม่มีได้เพื่อนเป็นเพื่อนตายอย่างนี้ วันนี้เพื่อนตายมาตายโลกทันสมัยโลกทันสมัยก็โลกที่พอจะรู้ตัวก็ไปซี่แล้วเอเขาไม่อยู่เอาไม่ทันดูนั่นไก่ยังประมาทมัเมาในวัยนิรศประมาณในการปฏิบัติอยู่ ยังไม่เกิยังไม่เติ่นตัวยังไม่พูดโตยังไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานนลําบากแต่ทีนี้พยายามจะทำแต่ไม่ได้ไม่เคยฝึกไม่เคยคิดไว้ก่อนไม่คิดว่าจะไปคือคิดเอาเองขนาดนั้นเนีะยทุกอย่างคิดตัวเอง เพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดถึงเรื่องครับปฏิบันเพื่อเป็นขอนและกำลังใจส่วนหลวงพ่อก็คิดถึงหมอบ่อยหมอเขาในวันเดยวกหมอเขาคิดถึงกันวันที่ห้าวันที่หกอ็อีกรอบนึไปเช็คกันละเอียดมันธรรมดามันเกิดนานมันสะสมกันมานาน ก็ยกให้หมอไปได้เท่าไหร่แค่ตอนนั้นถ้าไม่ได้คือไม่ได้ได้คือได้อันนี้เบอร์เป็นก่อนกำลังใจทางปฏิบัติคือต้องการให้พวกเราตั้งเป้าหมายมีเป้าหมายชัดเจนในการปฏิบัติหรือว่ามีทิศทางพอเราเหลือครูอาจารย์น้อยการที่เราจะไปสอบด้วยค้น ไปถามที่ผ่นมาเหมือนสมัยก่อนมันยากสมัยก่อนถ้ามีปัญหาสงสัยปิดขัดขัดข้องก็ยังตามหาผู้บาดาจ็บโดยทางมา 500, เป็นร้อยเป็นพันกิโลเพือคลีใครายปัญหาทุกวันนี้มันมันยากแต่คนรีบปฏิบัติอย่างอุกฤษที่ทำจริงจังต่อเนื่อง จำวาต่อเรื่องด้วยมันก็ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นบันไดสีขัน้นที่กาลังรอเราก้าวขึ้นไปตอนเที่เราอยู่ขั้นไหนก็ยังไม่รู้สเปะสปะยังไม่ก้าวไปไหนเลยอย่าบนดินอยู่บนพื้นอย่าเป็นสเปะส ป, ปะซาสละพัดมันไม่ปลอดภัยเป็นชี่ิที่ไม่ปลอดภัยเอง ็นชีวิตเต็มที่ความไม่ประมาดังนั้นบุคคลที่ก้าอยู่บันไดขั้นแรกบุคคลนั้นต้องมีจิตใจที่เรานึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นหลัก่าเป็นอารมณ์แต่ที่สำคัญก็เรื่องของกายกายยะกาจาย็จะติดรั้รงเกิกายที่สมอเป็นครูวอาจารย์พมขอบพระนงเมีพระวิสจิต รึกเสมอว่ากายของเรามีความตายเป็นที่สุดสุดคู่แง่อยู่ความตาย เ, าเราจาอบรมอยู่พระเจ้าอยู่ความตายนอกนั้นไม่มีที่จะหาเป็นที่พึ่งแต่ที่สําคัญคือเริ่มเรียนรู้กายสังขารของตัวเองกายคดีวาจาคดีใจอะไรที่เป็นสังขารเอามาปรุงเอามาแต่เรื่องกายก็คือขันหรือธาต ที่มีอยู่เรื่องเข้าใจความเป็นไปของธาตุอันนี้คือบนรดาคันได้จะสามารถแยกแยะได้ว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้ น, นี่คือเป็นเหตุ น, นี่คือเป็นผลแต่ที่สำคัญคือทั้งหมดมันอยู่สภาพอย่างนิ่นเนื่อยเรื่องทุกข์นั่นแหละคือรู้จักคําว่าทุกข์โดยแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองอันนี้ชัดเจนจะได้กำลังใจชัดเจนส่วนเรื่องอื่นปกติทั่วๆไปกันเช่น เรื่องอยู่เรื่องกินธรรมาะเรื่องตารบังคะเรื่องครอบครัวยังมีเรื่องปกติแต่สิ่งขบบางแล้วขบบางไม่เป็นไรแต่มากที่สุดถ้าเกมางได้แต่ว่าทดเชยด้วยวิธีอื่นเช่นถามเรื่องของทานความคิดของคนที่อยู่บนไดขั้นแรกไม่เหมือนทานที่เราคิด ทานที่เราคิดหรือที่เราทำทั่วๆไปมักจะถึงผลของทานแปลว่าอะไรแปล ว, ว่าทานไปแล้วให้ไปแล้วได้อะไรนต่ก็คือยังมีความโลภพูดย่ายงแต่ไม่รู้จักตัวเองว่าโลภ ก, ก็ยังคิดตัวเองได้เช่นทานแล้วจะต้อไปขึ้นสวรรค์ไปนั่นไปนี่ไปโน่นจะเกิดเป็นดีขึ้นอันนี้ในโสดาเนี่ยไม่มีความคิดอย่างนี้ไม่มี ไม่เหมือนกับคนทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเรายังคิดอย่างนี้อยู่ก็ยังไม่ใช่ถ้าไม่คิดอย่างนี้คิดยังไงก็คิดว่างงทานคือการเสียสละคือการจางคะคือการบริจากออกจากตัวเราให้มันเบาที่สุดเท่าที่เบาได้ไม่ได้คิดเพื่อจะกลับมาอีกหรือเอาอีกหรือให้แล้วแล้วไปส่วนจะกลับมาจะได้มาเป็นประปกติ ปด้กยกฎกติกาเกณฑ์ของธรรมชาติก็มีอยู่ลยแล้วไ่เราไม่ต้องไปคิดกระทานไปแล้วว่าท่านจะฉันให้เราหรือเปล่าทายไปแล้วท่านจะใช้ให้เราหรือเปล่าอันนี้มีแต่ถ้าเรายงคิดอย่างนี้อยู่โอ้ยังห่างไกลทายไปแล้วร้อยบาทใช้ของเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ทานผาทานสะองทานจีวรใช้ให้เปล่าหรือเปลก็ไม่รู้ทานข้าวทานปลาอย่างนี้น ประความคิดอย่างนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วถ้าเรายังคิดอย่างนี้อยู่ยังห่างไกลอยู่นะม่าได้คแใดเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นไปครบก็จะเอาพวกเราเนี่เป็นเ่าเฉยเรียกว่าเฉาเฉ ย, ยทดแทนให้เกิดความมั่นคงใ น, ในชีวิตในใจิตใจส่วนเรื่องอื่นที่เป็นปกติของโลกของเขาก็เป็นเรื่องปกติของโลกมีครอบครัวบทฎีดา พูดยังไงก็ยังมีกา ร, รพูดยงใช้การอยร ه, รรมมู่แต่การมักจะจำกัดด้วยสิลเป็นตัวกำหนดอันนี้คือบันไดขั้นแรกคร่าวๆแต่ชัดเจนที่จะคือการเรารอกถึงพุทธเจ้าว่วาธรรมประสงค์เป็นหลักสำคัญใครจะไปก้าวล่ว ง, วงละเมิดล่วงเกินไม่ได้จะป้องกันรักษาด้วยชีวิตใครจะไปทาลายปกป้องด้เยมนเยียดยาม สตัวการต่างๆไม่มีแล้วก็ตัวจิตภายในจิตเองก็จะไม่มีแต่ชีวิตเริ่มเข้าใจเรื่องแยกออกว่าเรื่องขันเรื่องธานเนี่ยเริ่มเข้าใจว่าเป็นที่มาเป็นที่อยู่เป็นที่ไปยังไงเพอาะ้ความบั่นคองของใจก็เริ่มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตภายหน้าหมายก็ว่าจะกลับไปกลับมากลับมากลับไปอย่างน้อยไม่เกินเจ็ดเจ็ดทบเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก ถ้าอยู่ในรั้นนี้แล้วแต่อาจจะไม่ถึงก็ได้แล้วแต่อาจจะหนึ่งก็จสามก็ได้แต่ว่าไม่เกินมันไม่เกินเขียรชาติถ้าคิดอยู่ในกองมัถือว่าเยอะเกียรชาติทำไมเยอะถ้าเทียบกับของเราที่ผ่านมาเอาแค่พุทธเจ้ามาสองพันกว่าปีอะแล้วมันไม่ได้เยอะคนเราคิดอย่างนี้เราก็มีกำลังใจในการปฏิบัติในการทาในการเรื่องความเพียร เรียกว่าสร้างกำลังใจใหกับตัวเองถ้าเราไม่สร้างกำลังใจก็บตัวเอแล้วใครจะไปสร้างให้ไม่ใช่เคิดจะเปลี่สปาไปเรื่อยที่สําคัญเกิดําลังของสมาธินี่สำคัญมากที่สําคัญก็คือสติเรียกว่ากายยาคติสติมันจะอยู่ในกายมากขึ้นแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ที่อยู่กับตัวเองมากขึ้นคนแหรมีสติแหละ ไม่ใช่ไม่มีสติหรือปัาจากสติเนี่ยเรียกคนคนุณสมบัติอันนี้โดยคร่าวๆส่วนในทางอ ก, กายจสติคืออะไรอนจจะประโยชน์ได้ข้อสามข้อสีอันนี้คือข้อแรกเรียกว่าอย่างนี้เรื่องมีความมั่นคงของชีวิตเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องไมต้องไปห่วงว่าจะเือนไวถ้เกิดไปมาพบชาติรูปภาพรู้การเกิดรู้การจุติ การเคลื่อนมันจะก็จะน้อยลงถือไปอยู่ไปมันก็ไปทางที่ดีอันนี้คือข้อแรกข้อที่สองเนี่ยมันเริ่มเข้มข้นมากขึ้นบันไดขั้นที่สองเริ่มต้นจากสิ่งข้อสามคือการเมฆคือกามกับโทสะคือความโกรธมันยังมีแต่น้อย แสดงออกอยู่แต่วสติถองคนมากขึ้นเมื่อโทสะมันน้อยแปลว่าความพยาบาทของคนต่อคนอื่นมันก็น้อยนี่เขาหมายก็การมรารัคะมันก็น้อยลงมีแต่น้อยลงคือรู้ทันอะ่ะก็การมรารัคะโดยเพาว อ, อยู่ความพอใจคนมดีทั้งทางกายก็ดีทางจิตก็ดีมันก็จะเริ่มเบาบางลงไม่ใช่ไม่มีมี แต่เบาบางใจกว่าเบาบางลงมันมีอยู่แต่สามารถตัดใจได้รู้ได้รู้ทันได้ถึงมาว่าอันนี้คือการมราคะนะอันนี้คือโทสะนะผลของมันจะเป็นรู้คือรู้ตั้งแต่ขั้นตอนของมันนะการเกิดยังไงการตั้งอยู่มันจะดับไปยังไงผลก็การเกิดมันจะเป็นยังไง่ารู้คือรู้ละเอียดรู้คุณรู้โทสะของมันมันก็จะเบาบางลง มันก็จะน้อยลงี่มาได้ขั้นที่สองมาได้ขั้นที่สามี่คือเมื่อขั้นแรกมันเบาบางลงมันไมีมันมีน้อยขั้นสามมาเรื่องกางเริ่มต้นจากความยินดีในกางเรียกว่ากลางวัชชะยินดีในทรงนี้หมายถึงเกิดขึ้นจะกภาษะทางกายภาษาทางจิต คือข้างในแปลว่าถ้าถ้ากายมันไม่ได้เห็นไม่ได้สร้างภาพมีมโนภาพขึ้นมาจินตนาการมาแต่ทางใจมันยังมีอยู่มันยังนึกได้อยู่นี่บัณฑาตขัตตมสันมันแทบแทบไม่มีมันแห้งคือมันไม่มีมันก็จะแห้งโดยอัตรนมัตสัญชาตญาณมีไหมมีมันมีสัญชาตญาณอยู่แต่ มันรู้ทันทีมันเกิดแล้วมันดับทันทีมันคุมได้พูดง่ายๆคุมได้ส่วนขั้นในสอ ง, สองเพียงแต่ว่าบาบางเรมีแต่ยังคุมไม่ได้แต่ขั้นในสามคุมได้เพราะฉะนั้นเรื่องเจยบกลับมาเสพอีกจะไม่มีเพราะฉะนั้นขั้นในเจริญโฉดถือพรห ม, มจรรย์ครั้งที่ไปครั้งแรกคือขั้นแรกอย่ากลับมาอีกเจ็ดครั้ง ขั้นที่สองหนึ่งครั้ขั้นที่สามไม่กลับมาเดี๋ยวอานาครังีไม่กลับม า, า, า, มบมาคือไปต่อข้างบนไปต่อยอดอันนี้คือคำวาำว่าไม่กลับมาอีกจะไม่มาจากาพวกเราคือจะไม่มาใช้บริการกามจากพวกเราทันทนทั้งหลายที่เป็นผุชนเพราะว่ามันแห้งแล้วไม่มีนมหน่วยฮัก็อยู่กับรูปกราบอารูปเท่านั้น ย่ข้บนรูปข้างในละเอียดไม่ใช่รูปหยาขอางพวกเรากลัวง่ายคือทรงชานเหยื่อกับชานเพราะฉะนั้นเันนี้ถ้าจะชํานาญเรื่องชานเป็นพื้นฐานโดยหลักจะมีชานเป็นพื้นฐานตั้งแต่ขั้นหนึ่งต่อสามสี่ล้วน ม, มีเกี่ยวข้องมาตลอดเพราะฉะนั้นขั้นแรกนี้ถ้าไม่มีความคิดในเบื้องตอน้นนี่คือสมาธิเองแหละสมาธิมันคือปัญญามันปัญญามันต้องเกิด เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเดยพูดเสมอว่าขั้นตอนทั้งมันคือสติลมหายใจแล้วก็ปัญญาเนี่ยเพราะกับปัญญากับปัญญาี่เป็นตัวแรกเป็นตัวเริ่มต้นเลยไม่ใช่สติที่เริ่มต้นจางของเราไม่ใช่สมาธิเป็นจุดเริ่มต้นแต่เป็นหนทางไปต่างผ่านเริ่มต้นสติปัญญามันกิใช้ปัญญาเป็นสมาธิธสมาสักกะปะสมาวิยะมะมันจะตามมาหมดถ้า ปัญญาเป็นชอบเป็นตรงถ้าก็อาศัยของเรานั้นด้วยปัญญาอันนี้การที่สาม ท, าที่สามคือไม่กลับมานะการสองอยัามาครั้งเดียวการสามไม่มาแล้วไม่มาเห็นหน้าพู้เราก็ อ, อยู่ข้างบนต่อเราก็จะต่อไปอสุดทาวาาคือฉันที่มันบริสุทธิ์ดังใจถือพรมาจันทร์พรมาจันย์ก็แปลว่า ถ้าจะไม่มีเพศอย่างพวกเราขอเป็เพศดังนั้นไม่มีเพราะมันไม่จําเป็นเพราะไม่มีการเสพมันจึงไม่มีนี่เป็นรธรรมดาตักกะง่ายๆแต่ถ้ามีอยู่มันก็ต้องเสพแล้วมีการปล่อยของแต่ไม่มีมใช้มาใช้บริการของคนนี้เรียกว่าพร้อ ม, มจันทร์พระพฤติเดินทางพรมอืมผมก็ไม่มีเพศสภาวะอุปต่ออยู่นั้น สเปเปิข like ั like ้สุดท้ายก็คือทําลายได้หมดต้นต้นต้นแต่ธาตุขันธ์อายตนะคือตัวที่มันเชื่อมต่อทําลายตัวที่มันยังไม่รู้ที่มันยังไม่เข้าใจอย่างอาวิชาคือทําลายตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่ทําลายตัวนี้มาเริ่มต้นใหม่เหมือนขั้นแรกเริ่มต้นจากอะไรต้นตีจากกายกายาคยาติกายาคยาติที่อยู่ในดินน้ำฝุ่ลมนี่แหละ พุกยังไงกากายคือรูปต้องสติต้องอยู่กับรูปก็คืออยู่กับดินน้ำไฟเรยันได้อย่างหนึ่งออกจากรูปก็อยู่กับลมเหมือนลมหายใจเผอจากลมหายใจมัน ก, ก็จะกับดินมันดินก็อยู่กับน้ำอยู่น้ำอยู่กับลมสลับกันไปสติท่านก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดท่านไม่อยู่นอกกายพระอาจารย์จะบอกรูก้ตัวตลอดแต่ว่ารู้ตัวอะไรเรื่องของธาต ประธาดยังครองอยู่ยังครองอยู่ตัวอีสีตัวคือวิญญาณวิญญาณเป็นที่มาของความการปรุงแต่งนึกคิดที่เป็นละเอียดซึ่งข้อที่สามขั้นที่สามยังทํำลายไม่ได้เพราะฉะนั้นขั้นทําลายสิ่งเหล่านั้นได้คือวางอารมณ์ได้วางอารมณ์สิ่งเหล่านั้นได้เราที่เป็นทั้งยาปดะเรียวหรือหมายถึงรูปรูปทึ่มันเข้าใจแล้ยังมีดินน้านไฟรองอยู่พเพราะมันเป็นรูปนี้ ยังมีเวทนาจาร ก, กันยังรู้เพราะนั้นเวทนาที่เป็นภายนอกก็ดีเวทนาอะไรเกิดจากภาษาที่มันจอโตนเนีงจนกระทั่งเกิดความนิยมทางคือเขาเบือ่อเบื่อในนี้แหละเบื่อในกายเวทนาจิตธรเบื่อในดินน้ำไฟลมนี่แหละเกิดควาเบื่อไในสิ่งเหล่านี้นันทิคือความยินดีความพอใจความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มี เรียกว่าธรรมสังเวชเกิดขึ้นธรรมะสังเวทเกิดขึ้นแย่างนิพิทาธรรมสังเวชนิพิทาวิราคาแลือนพีข้อสามยังมียังมีนิดๆหน่นนนอยๆวิราคะคือปราจจะละจะไม่มีของปุณิย์คือทําลายได้ทำลายวิราคาตอนนี้จะเลือ ก, กวิราคะถ้าจะเราวิรา โ, เรโรคเสตโตทำอะไรแา่ที่เราปราจจะราคะในเป็นธรรมอันประเสริฐ เพราะว่าถ้าปราศจักตัวนี้แล้วพบชาติมันจะมาจากไหนมันก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นพบชาติของท่านจึงไม่มีหมาก็าจะเป็นภาพพบหรือภาพชาติคือการเกิดเกิดบ่อยๆเกิดไปนั่งเกิดไปมันจะไม่มีเขาจะเห็นการสิ่งเหล่านี้เห็นภาพหรือภพเป็นชาติคือการเกิดการดับการเกิดการดับสบรรพสิ่งทั้งหมดมีแค่รู้ การเกิดและการกกดับผู้ง่ายก็เกิดเร็ววันเร็วรู้เร็ววันเร็วเขาก็มีเขาอยู่อย่างนั้นเพราะเป็นธรรมชาติติด น, น้ําไฟของเขาก็มีเขาอยู่ยนั้นแต่อยู่อย่างเข้าใจพร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะไปมันไม่ใช่เราเขาเรียกว่าอนัตตาคําว่าเราเดิมทีเราอันนี้ของเราเช่นตากระบอกเป็นของเรา โู้โหไปของเราตาของเขาหูของเขาอยังมีเป็นตนไม่มีไม่มีเราไม่มีเขาในใจในจิตพระโอปาทานตอนนี้ตัดโอปปทานการยึดถือสิ่งเหล่านี้ยังีะไม่มีสิ่งที่ตามมาหลังจากตัดโอปปทานที่หลังตามมาเป็นปูนตัดได้ไหมนีคือว่าเขาอยู่แล้การยึดถือก็ไม่มีแล้วไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครดังนั้นจึงเรียกว่าอนัตตามันได้แปลว่ามันไม่มีตัวไม่มีตน คือจิตมันไปยึดตึกของเราของเขาเหมือนเราเห็นเขาบัตรเขาคนอื่นเราก็ไม่ได้สนใจตึกคนนั้นตึกคนนี้ตึกคนนี้เราคิดว่านนันไม่ใช่ของเราอันนี้แบบหยาบหยาบแบบโลภโลกแบบธรรมดาเป็นรถเขารู้ๆเออก็เป็นของเขาเราไม่ได้เกี่ยวข้องคือจิตมันไปเด็กข้องแวะจิตเราเนี้ยโดยความหมายโดยเป้ามายเช่นเดียวกันกายที่มันหยาบยาบนี้ก็ดีรูปตัวจากดิ่งสุท้ายดีอยู่เพราะฉะนั้นสติ ของท่านจะอยู่กับนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่กับเนี่ยคือสติปัฏฐานสีตลอดเวลาว่าจะเป็นเรื่องกายเรื่องวิทยาเรื่องจิตเรื่องธรรมจะวนเวียนอยู่นี่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลมมันดับลมมันอ่อนลมมันละเอียดแล้วดมมันดับถ้าก็อยู่กับสิ่งอื่นแต่ยังเกี่ยวข้องกับสติปัฏฐานสีตลอดเวลาเพราะนั้นการที่เรายืนเดินนั่งนี่คือต้องการให้รู้อรอยิยบทของของพวนี้เพราะว่า อะไรวพวกนี้แหละที่เป็นที่มาของคำว่าโอ้เพื่อให้เข้าใจชัดเจนว่าทุกข์เกิดมาจากตรงนี้นะมันไม่ใช่จากที่อื่นมาแค่เนี้ย เ, เราแยกเนี่ยออกเพราะฉะนั้นเทศตะการที่สองที่พระเจ้าทางปเจ้าวกี ค, คืออันนี้เม่รู้จกากครั้งแรกว่าสรรพสิ่งทั้งหมดในโลกนี้มันไม่ไีอะไรเป็นจรังแจ้งยืนไม่ทิ้งแท้แน่นอน จะถือเอาเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตาเป็นเราเป็นเขาไม่เข้าใจท่านอยากรนนีเข้าใจคำว่าสิ่งใสงหนึ่งคือทั้งหมดในโลกนี้ยถ้ามันมีการปรากฏตัวขึ้นหรือเกิดขึ้นถึงนั้นยะคือดับคือสลายมีอยู่ไม่ได้แต่แต่เรียกว่าตายจะเรียกว่าผุพังเรียกว่าอะไรก็ได้เป็นภาษาเรียกเอยๆแต่พูดถึงานพาระเว็คือเกิดดับอันนั้นคือเข้าใจเอคำว่าดวงตาเห็นธรรมคือเห็นธรรมแล้ว ไปทำบรรดาคันแรกนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นปกตได้นี่คือพื้นฐานของเราถ้าเราไม่ดูเลยถ้าเราพิจารณากายของเราเลยเราจะเห็นเลยแต่พูดงย่ายไคือถ้าเราไม่ดูเราก็ไม่เห็นเอาแค่ห ย, บยาบๆนะสุดที่มันละเอียดกันนี่อีกยิ่งหนักขึ้าอีกเท่าไรเพราะว่าขั้นตอนเข้ายัางไปไม่ถึงสติเราไม่ต่อเ น, นื่องสติเราก็ไปอยู่กับใดอันหนึ่งคือลมคือดินน้ําไฟลมไม่อยู่กันไองเพราะฉะนั้น ดินมันเห็นได้ยากน้ําเห็นได้ยากไฟเห็นได้ยากง่ายที่สุดคือลมเพราะด้สิ่ที่พระพุทธค้นพบจริงๆริงมันใช้ได้หมดเยเรากําหนดกายครับว่ากำหนดกายไม่ได้แปลว่าลมอย่างเดียวนะกาหนดกายก็คื อ, อากายคือรูปสามารถทําได้ถ้าใครทำจะนานแล้วทำได้หมดแต่ว่าลมเนี่ยคือง่ายที่สุดแล้วเพราะนั้นที่พระพุทธสอนเราสอนสิ่งที่มันง่ายไปหายาก พูดตรงๆอย่างนี้พูดง่ายๆอย่างนี้กระดานนี้คือง่ายที่สุดแล้วแต่เราก็ยังไม่คิดว่าเปนง่ายเพราะสติเราไม่ต่อเ น, นื่อนนงการปฏิสีติคือกึมบุสติให้มันต่อเ น, นื่องดูอะไรก็ได้ลมหายใจช่วงหายด้วยใจล้วก็เกิดปัญญาม่ก็ใช้ปัญญานั้นที่เจตนาแล้วก็ทําความสงบแล้วก็บรรยายบอกทําความสงบเพรอเราใช้พลังเยอะใช้ความคิดเยอะใช้ปัญญาเยอะทำความสงบไงคือพระพเจมีกําลัง มีพลังพลังของจิตพลังของปัญญามันก็จะเป็นอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันเกี่ยวเนื่องเชื่อเป็นวงกลมเป็นวัฏฏะศีลเมตอุรมสัมปชิตไม่เป็นสัมปชีสัมเทศอารมปัญญาปัญญามันกลับมาดีศีลมันก็บริสุทธิ์เสร็จปัญญามันเกิดแล้วมันจะไปร่วงลงมาโดยศีลมันไม่มีี่ยมันก็จะเป็นอัตโนมัติแหละเป็นพลังของพระอริยะทั้งหลายท่านนี้เป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัติไม่ต้องขอ ไม่ต้องประสมทานจะรู้โดยแต่มาถ้าจะไม่ล่วงละเมิดะผลเสินเตีมงตัวปชีวะเป็นตัวบ่งบอกความบริสุทธิ์ของพวกเราเราคือจิตใจของเราพรัน้าเราเข้าใจหลักการอย่างนี้แล้วเริ่มต้นจากการพิจารณาธาตุคันห้าปัจจัยสกัดยัดที่สีดก็คือคันห้านี่แหละมุ่งปฏิคันห้านี่ให้เข้าใจแต่เรื่องเข้าใจเรื่องรวมเข้าใจเรื่องนามเป็นเบื้องต้นรูปกับนานมันเชื่อมกันยังไง เชื่อมก็คืออาณจัตนะมันเชื่อมต่อกันยังไงมันจึงกลายเป็นเรื่องเป็นราวได้ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้ายกมาครั้งแรกเลยสัมมาทิฏฐินั่นแหละคือปัญญาสัมมาทิฏฐิสมาสัมมาสติสัมมาสมาธิสมาธิอยู่ข้างล่างเลยประตูสุดท้ายมีสมาธิขึ้นมาเริ่ต้นที่ปัญญาเพราะนั้นก็ศิลมันจะไล่ไล่ลงมาตามเรื่อยๆปัญญาศิลสมาธิ แต่ที่เราเรียนนะคือศีลสมาธิปัญญาแต่ในทางปฏิบัติทำปัญญากันก่อนแต่ไม่ต้องเป็นสมาธิก่อนนะจิตต้องสงบก่อนไม่จะคิดเอาเองจิตมันสงบมันจะรู้มันจะเห็นมันเข้าใจมันจะเป็นไปอัตมัตดภาฉะนั้นกายแยกระาสติเกี่ยวกับเรื่องสําคัญสติพันอยู่กับกายนีคนนั้นในกรรมฐานยตุราลัฐเบื้องต้นคือพุทธานุสติเมตตาพุทธะมรณะคือสีท่านนั้มัน มันต้องคิดได้จิตเราต้องคิดได้หมายกับว่าพุทธเจ้าเป็นหลักไม่มีใครในโลกนี้เอาเป็นหลักได้นอกจากพระพุทธเจ้าพุทธานุสติเมตตาคุณสมบัติคือต้องมีเมตตาเพราะฉะนั้นตั้งแต่สกทามีลงมาหรือนาคามีคุณสมบัติพื้นฐานจ ร, จริงๆคือพรหมวิหาร ท่านจะมีผรมีหานสีคือเมตตาการนามุทิตาเบคะแปลว่ามันวางได้เมตตาก็คือจิตมันเป็นรูปเมตตาการรนาแต่ทุกคำอินดูสงสารซาบซับนั่งไหลให้ได้รับผลที่ดีขึ้นขอที่ดีขึ้นในแต่กระนมุทิตาเกิดไดะขึ้นแสดงความดีแม่อาฆาตมารร้ายไม่ได้ไปถูกดูหมิ่นเหยียดยามดูแคลนและที่สําคัญคือ วางอารมณ์ได้เกิดขึ้นถึงแม้ที่สุดแล้วทําอะไรไม่ได้วางอารมณ์ทันทีคืออุเบกขาทั้งนี้เหมือนกับเรานอนเราก็เปรียบเทียบคนนอนคนนอนแล้วมันก็วางได้วางของนอกได้นั่นคือเขาอุเบกขาของอจิตจิตของท่านคุณสมบัติของท่านเริ่มต้นอันดขั้นที่สองแล้วมั่นคงคือพรหมวิหารนี่ชัดเจนนี่คือคุณลัตนะิณะ กาะนั้นถ้าใครยังไม่ติดหินอิเลนทาไปก้าวไหลไปยุโยนโมโหโตโสดวนให้นก็นี่ปฏิบัติข้อสองก็ยังไม่ยังห่างไกลยังห่างไกลเลยกาะนั้นสองสามเนี่ยถือว่ามั่นคงอย่างมากเลยส่วนพุธานรูสติไม่ต้องไปพูดถึงมันคงแล้วที่สาคัญคือสติที่เป็นไปในกายคือท่าทั้งหมดเนี่ยมันคงมากๆ ก, กก็จะอยู่อย่างนี้จนเข้าใจละเอียด การที่อยู่กลาอะไรมันเข้าใจว่าอันนี้คือดินนี่คือน้ํานี่คือไฟนี่คือลมว่าสุดท้ายดินน้าไฟเราเสร็จก็เขาก็อยู่ของเขาร้อนก็ร้อนเย็นก็เย็นลมก็ลมก็อยู่ได้โดยสภาวะอันนี้คือสภาวะหรือว่าสภาพที่เป็นอยู่องจิตของพระอริยะส่วนตัวไหนมีมากมีน้อยแล้วแต่ขั้นบันไดสูงต่ำหนึ่งสองสามสี่แต่ท่านเสรไม่ต้องมาพูดถึงละ แล้วก็ไม่ได้ใครดูออกรูปสภาพมันที่ทั้งเรี ย, ยงแสดงเกียรอาการปกติธรรมดาเป็นภาษากายเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะอย่างขั้นที่สองขัง้ ง, ขงก็ยังมีแต่ว่าครูคุมได้ขั้นที่สามก็เช่นเดียวกันขั้นที่สองเขาบอกว่ า, าวมันเบาบางไม่ใช่แปลว่ามันไม่มีมันเบาบางส่วนข้อที่สามนี่ก็คือแทบไม่มีเลยหรือว่ามีน้อยมีแต่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นระดับทันที จะขึ้นระดบับปกตจะไม่ตอบคนจากสามเขาเพราะว่าจิตในระดับของสองสามสี่เนี่ยจะเร็วกว่าขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งถือว่าคือรับรู้รเฉยว่านั่นมีคุณนะไม่มีโทษรู้จักโทดภยัยเห็นโทดภัยในวัฏฏะแต่สองสามนี่เร็วมันเร็วหมดรูปก็เร็วเสียงก็เร็วปลิ่นก็เร็วจะเร็วมากคือจมูกดีอย่างนี้ จมูกเร็วจมูกไวแม้ทั้งกลิ่นก็ตามแม้แต่กลิ่นตัวกลิ่นอะไรสารพัด น, นี่ถ้าจะรู้เร็วแต่ที่สำคัญคือขันข้นที่สามรู้เร็วกว่าวางเร็วรู้ก็วางทันทีรู้วางทันทีเช่นลมปะทะเราเรารู้ว่าลมอ ย, านะอยู่ใกล้ไฟมันร้อนเรารู้วไฟร้อนอย่างนี้เป็นตน้นถ้าเป็นแบบหยาบๆพอไปตากผลนนรู้ว่าเออผนก็รู้ละแล้วก็วางทันทีเนี่ยคุณสมบัติทั้งก็จะอยู่กันอย่างนี้ แต่ก็อยู่มันง่ายกับพวกเรามันไม่มีเยอะแยะอะไรมากมายเราของเรายังเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านอุทจักจักรกุจจคฟุ้งซ่านมันไม่มีเพราะฉะนั้นสมบัติข้อที่สี่คืออะไรที่จะไม่มีของในจิตของท่านนะแต่ภาษาการมันอยู่เขาเรียกว่านิสัยนิสัยเป็นเรื่องปกติมันตะขะมันไม่ใสวาสนาตะขาบก็่ได้ไม้แต่พระอรหันต์นี่เองขาดไม่ได้เพราะอะไรเป็นนิสัยนิสัยคือสิ่งที่มัน ร็พืชปฏิบัติตัวมาช้านานเรือร้อยเป็นพันปีไปกลับเหมืนกันมาแล้วมันนิสัยอย่างนี้แต่มันไม่เป็นโทษไปกับคนอื่นเขาจะไม่เป็นโทษท่านคุมได้สัพพะตัวท่า น, า น, นอันนี้คือคุณสมบัติเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาดูแล้วนี่วิธีดูพ้าพวกเราเราเปลีย่ยนที่เรียกเคียงดูนะพระยุคนี้ยุคใช่ไหปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นว่าคนนั้นอริยะไม่อริยะค น, น, นอัน้หันหันซ้ายหันขอหรือไม่หันอืว่าเอาลมณได้ นี่คือคุณสมบัติเบื้องต้นดูกันอย่างนี้สู้กันอย่างนี้ทํากันอย่างนี้กว่าจะทัางก็ปฏิบัติกันอย่างนี้โดยเฉพาะนริงปัจจิตังเพราะฉะนั้นคันที่สองท่านก็จะรู้ของท่านเองว่าปัจจิตังคืออะไรโดยว่าะจเรื่องของการมจนกรรมราคะืองต้นท่านก็จะรู้เองว่ามีมากมีน้อยจะควบคุมได้ควบไม่ได้โดยเฉพาะสองสา ม, มาขึ้นไปท่านก็จะรู้ของกันเองแต่มันปเป็นรื่องปกติทําไมถึงว่า ของคนนี้รู้เร็วดับเร็วคุณสมบัติของอะไรขั้นที่สี่ท่านเริ่มใช้ตั้งแต่ขั้นที่สองแล้วเรื่องอสุภะมรณะมันจบตรงนั้นแล้วพกะสุดท้ายกับมรณะคือตายเพราะว่าความตายนะมันมาจากขั้นที่หนึ่งแล้วว่าท่านจะไม่ลืมเลยว่าวันตายแน่นอนคือไม่ต้องมีใครมาครูไม่ต้องมีใครมาบอกอันนี้คือคุณสมบัติของท่านเลยว่ากายในชิ้นส่วของกายคือตาย คือคนเข้าไปเขาเรยกว่าลืมภาษาเราเรียกลืมกายถ้าภาษากายก็เรียกลืมกายยะคตาสติคือสติที่อยู่ในกายมันลืมคือโมอหะคําว่าลืมมันคือโมอหะอันปิดบงังกดแต่ท่านก็มีสมบัติตั้งแต่ขั้นแรกเลยเพราะฉะนั้นสองสามสี่ยิข้อสามเขาจะเข้มข้นข้อสี่มันไม่มีเล ย, เ, ยเดี๋ยวเดดขาดคือทําลายได้ ตรงหลายความไม่รู้คืออวิชชาเนี่ยแหละสิ่งเหล่านี้เป็นเด็ดขาดชัดเจนเพราะฉะนัะ้นคนที่กลับมาอีกมันจจึงไม่มีมันจึงไม่มีริ่มตั้งแต่ขั้นที่สามแล้วมันจะไปต่อข้างนอกคนที่กลับมาคือขั้นหนึ่งกับสองเท่านั้นที่มาอันนี้อยู่ในขั้นแล้วนะถ้าอยู่นอกนั้นยังไม่ต้องอาพูดถึงเลยถ้านะถามว่าหนึ่งสองสามกับที่ทั่วไปอันไหนมันเยอะกว่ากันกับเศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์ตางๆ มักไปแน่นอนอยู่แล้วตัวที่ปริมาณที่เป็นเปอร์เซนต์ะังนั้นพวกเราถือว่าเราเริ่มต้นมาดีแล้วเราฝึกมาดีแล้วแ้วพูดง่ายๆคือรู้จักทิศทางดีแล้วเพียงแต่เพิ่มความเข้มข้นเพิ่มศรัทธาศรัทธาก็คือพลังศรัทธาก็คืออินทรีย์อินทรีย์เราอย่างน้อยคืออนะินทรีย์ห้าอินทรีย์เราอย่างน้อยกันบ่มเพราะอินทรีย์ของเรามันอย่างน้อย ผลมันจะเกิดฉาแต่ท่านเหล่านั้นอินทรีย์ท่านแก่กล้าแล้วอินทรีย์คืออินทรีย์ก็คือพลังเลยกำลังพลังพลังควาเพียรขอท่านมีเยอะกว่าเราพลังศรัทธาคือความเชื่อเยอะกว่าเราพลังกองสติสติปัญญามันนี้คือพลังหรือว่ากำลังแต่มีเยอะกว่าเราพวกเรามนน้อยไม่ใช่แปลว่ามีมี่แต่มี น, มน้อยศรัทธาดีไม่มี รู้ทำอย่างนี้แล้วมันได้ผลได้ประโยชน์มันอีแต่ท่านจะประกอบด้วยปัญญามาตลอดตั้งแต่ขั้นแรกเพราะนั้นเรื่องทานก็ดีเรื่องอย่างที่เล่าให้ฟังจะไม่ได้คิดอย่างพวกเราไม่คิดกายเป็นจากะแต่ไปเร่องกัรเสียสละไปไม่ใชท่ทานเพื่อเอาพูดอย่างไรไม่จะทําเพื่อเอา่ะนั่นคือสติคุณสวัสด์ก็คนมีสติคือจะต้องไม่ทําเพื่อได้เพื่อเอาเพื่อมีเพื่อเป็นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคุณสวัสของคน โลคือโลภะนั่นคือคุณของโลภะนั่นคือสมบัติของคนที่มีตัณหาคนที่มีตัณหาก็คือที่คนนี้มีต้นตอคือมีเหตุเมื่อมีเหตุมันก็ต้องมีผลผลก็มันเลยมันก็คือทุกผลของตัณหามันคือทุกมันจะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างนี้ตลอดมันจะกลายเป็นเรื่อง ย, ยากกลายเป็นเรื่องง่ายเริ่มเข้าใจขั้นตอนวิธีการกลไกการทํางานของร่างกายสังขารแม้แต่จิตก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราทาได้มันก็จะเบาบางลงไม่มีมกําลังหรือพลังนี่นแหละเรียกว่าอินทรีย์ความศรัทธามันก็จะเพิ่มขึ้นแต่ากลายเป็นอินทรีย์เราก็แก่งกาจเกิศรัทธาวิริยะขอเพียรอย่างที่เรามาด้วยถ้ามีความเพียรมาไม่ได้ถ้ามีความเชื่อมาไม่ได้เนี่ยก็เริ่มละเขเริ่มมี sea. อินทรีย์อินทรีย์นั้ศรัทธาวิริยะสติเริ่มคิดได้เริ่มต่อนเนื่องวิธีอยู่ในกายสติต้งอยู่ในกายยะก็คือสติก็คือดิน้ําไฟลมนี่แหละ พูดง่ายทะแยงออกแล้วคนตัวเราสติ ม, มากขึ้นสติสมาธิความมั่นคงของจิตใจมันแน่นอนกว่าคนอื่นเขาตัวคนที่ไม่มีสมาธิเลยมันไม่มีความมั่นคงจิตใจเลยอารมณ์มันปูงซ่านเอาแน่นอนอะไรไม่ได้โอโหตัวโสไม่มีอารมณ์ไม่มีเหตุไม่มีผลทําอะไรไม่ต้องใช้เหตุไม่ต้องใช้ผลเอาแต่ใจตัวเองอันนั้นมันทางไาลนะถ้าเรามีอารมณ์อย่างนักเกณฑ์ยตุติทันทีกว่า น, นี่มันไม่ใช่ทาง แลมันเป็นเหตุเป็นปจัจจัยที่จะเป็น ท, ท e taught, buffs, ําลายตัวเองทําลายคนอื่นะตอนยุติลงทันทีเรียกว่าสตินีสติสติมันขึ้นปัญญาเกิดขึ้นได้โอถ้าเป็นอย่างนั้นอยู่มันก็ทําลายคนอื่นนะทําลายตัวเองนะมันระเบิดเวลานะะมันไม่ใช่ทาลายแค่ตัวเองมันทําลายคนอื่นด้วยนะอปัญญาเกิดมันก็จะเกิดการอบรมอย่างนี้ตลอดยิ่งเราไอซีเราก็แกกล้ามากขึ้นพลังของขิดมันก็จะเพิ่มขึ้นพลังเพิ่มขึ้นกับมันพลังสีลปัญญาพลังเสียงสว่าง มันเกิดขึ้นรู้จักอย่างน้อยที่สุดคือคนที่ปฏิบัติธรรมจาเสถาวรนาคุณสบายเารู้จักขักข้ามใจตนเองมากอย่างอย่างน้อยคือตัดใจได้ทําใจได้ในเบื้องต้นถึงแม้มันจะไม่หมดไม่สิ้นจะมันยังมีอยู่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังดีกับคนอื่นเยอะทําใจไม่ได้เลยทําใจไม่ได้เพราะว่ายังมีเรามีเขาอย่างดเป็นเราเป็นเขาทั้งหมด มันทุกขะคือมันอยู่ยากอยู่ลําบากมันก็จะตามมาะแต่ว่าไม่รู้ตัวถ้าว่าไม่รู้ตัวคือไม่มีสติมีความหมายแล้สติยังกําหนดกายรู้กายรู้คือมีสติกําหนดใจรู้ใจคือรู้ที่กายรู้ที่ใจแต่โดยเฉพาะารู้ที่กายก็คือดูน้ำไฟลมนี่แหละตัวบทยังไงรู้ที่ใจคือไปธนาธัรมสถารเป็นญาณปความหมายทั้งสี่ตัวนะี้ แต่มันก็อาศัยซึ่งกันและกันโดยอาศัยอายตรนะโดยเชื่อมโยงเูาเป็นตัวกลางถ้ามีอัยตระเชื่อมโยงไม่มีทางดังนั้นตัวสำคัญที่เราจะคุยใจแทั้งหมดประรุ่กันที่ใจฝึกใจเป็นการฝึกหัดอารมณ์คมใจตนเองปฏิบัติใจตัเองให้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้อย่างแจ้งกระจ่างคอยทิละนิดทีลหน่อยทีนี้ทีหน่ยตามกํำลังตามพลังที่เรามีอยู่ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยไม่เริ่มอะไรเลย เพราะนั้นถ้าเราก้าวขึ้นอย่างนี้ได้แล้วมันจะเข้าใจหลักการบนต้นจิตจเราจะมั่นคงในศาสนาในตัวเองคือมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าชัดเจนแล้วว่าพุทธเจา้าเป็นที่เพื่งอันแท้จริงเป็นอัจฉริยะบุคคลเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลที่สอนง่ายทั้งท่าที่มันเรื่องมันยากกาหนดง่ายเมื่อเราเข้าใจตรงกันอย่างนี้แล้ว อื่นๆเรื่องอดีตเรื่องโรคก็เช่นเดียวกันแต่ได้ที่จิตของเราเป็นสภาวะอย่างนี้อยู่เราไม่ต้องไปถามว่าในอดีตเป็นยังไงก็ดูที่ปัจจุบันนะความโลภมนมีอยู่ไว้ไม่ถามว่าในอดีตเรามีความโรภมันต้องไปถามพราะไรนั้นนะครันจะมีความโลภไว้ไม่ต้องไปถามความโกรธในอดีตมันจะมีไหมไม่ไม่ถามถ้ามันไม่อดีตไม่มีปัจจุบันมันจะมีได้ยังไงอื่นๆจะมีคําตอบโดยแต่องแม้แต่พบแชร์ก็เช่นเดียวกัน วันนี้วันหน้าชานี้ชาหน้าไม่ต้องไปถามเลยมันจะมีคําตอบชัดเจนอยู่ในตัวของมันเม่มันทันทีมันจะได้คําตอบไม่ต้องถามไม่ต้องลังเลเรื่องวิจิกิจฉาคือบันไดกันแรกความสงสัยในเรื่องมันจะไม่มีมันจะไม่เกิดขึ้นจะไม่เป็นคําถามเพราะมันตอบไปแล้วคือมันมีคําตอบแล้วเราจะไม่ต้องไปตั้งคําถามใหม่ถ้ายังตั้งคําถามอยู่แสดงว่ายังมีปัญหามีโจทย์อยู่ บางจะต้องหาคําตอบที่ถูกต้องด้วยตนเองมีแต่นี่ไม่ต้องล้วคือเราได้คําตอบแล้วแต่เป็นคําตอบที่ถูกต้องเพราะว่าคําตอบวันนี้ผู้ย่อธรรมก่อนเราแล้วจนได้คําตอบแล้วยังมาชี้แจงแสดงให้พวกเราหงายให้พวกเราดูว่ามันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะพระองค์ก็เหมือนกันมารู้กิจกรรมกันมาแล้วไม่ได้ม่นับเป็นเพราะเป็นชาติอเลย มันไม่ได้ธรรมดานะดูจิตดวงนี้มันเป็นอย่างนี้มาบรรลุจิตภพอิชาติแล้วอเพราะอะไรเพราะความเบื่อหนายคลายกำนดได้ถึงตอนนี้พูดอะไรกามยังมียางของกามมันเหลวอยู่กามคือตัวที่มันเกอพผกผัวชาสังโยชน์คือตัวที่มันทำให้เราเกาะผกผัวชาติคําว่าสังโยชน์สังโยชน์ชะตัวให้จิตของเราเนี้ยจิตของเราก็สัพปะสัตว์ทั้งหลายให้มันยึดมันติดเกี่ยวข้องใุสัตตถะทำมันเป็นภพคือเป็นภาพ ที่อยู่เนะเป็นชาติคือเกิดก็เป็นที่มากองเราจี่เรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์สิทธิ์พระอนาคามีเริ่มต้นอย่างสังโยชน์เบื้องต้นสามอย่างน้อนระมาอีกสองอย่างที่เหลืออีกเขาเรียกสังโยชน์เบื้องต่าํ า, นนาสังโยชน์เบื้อ ง, งสูงคือตั้งแสกะธาคาหรืออนาคาอรหันตานี่เริ่มเบาบางมากแล้วคือแทบจะปฏิธรรมอะไรก็ปฏิบัติต่อข้านาดได้เลยส่วนหนึ่งสองเนี่ก็ถือว่าเบา ถ้าได้สองเป็นการดีที่สุดเพราะมาครั้งเดียวมันจะไม่มีละมันจะน้อยพบน้อยชาบละมันใช้อยู่แต่มันก็จะน้อยคือครั้งเดียวเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยที่เก็คือเจ็ดก็ยังดีคือเป้าหมายของพวกเรากอันนี้คือวิธีดูความเป็นอริยะหรือไม่อริยะในทางปริยัติทั้งทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นซึ่งจําเป็นที่เราจะต้องศึกษาอยู่หรือซึ่งเหล่านี้ของ บุคคลที่จะต้องเรียนรู้สิ่งนี้เรียกว่าเสข้าบุคคลจะต้องศึกษาเรียนรู้อยู่ยังมีกมารศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดเพราะการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไม่มีที่สุดสุดตราบใดที่เราจะไม่ประจักษ์แจ้งด้วยตนเองจะเป็นประจักษ์ตังจะรู้ได้ด้วยตนเองนั่นแหละว่าอ๋อเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้มัดประจักษ์ได้ด้วยตนเองงั้นการปฏิบัติเราต้องการขั้นตอนว่าเป็นอย่างนี้นแล้วนะสติปฐานที่จะเป็นเรื่องสําคัญ เราหยองในรูปรูปกายรูปนาะมแต่ที่เราเรียนระู้เนี่ยแต่เราอยองมันก็จะชัดเจนเท่านั้นเองแม้ขั้นที่สามไปแล้วก็ยังอาศัยอย่างนี้แหละแต่มันละเอียดเท่านั้นเองเพราะมันยังเชื่อค่องอยู่นต็ดในรูปกับอารูปนั่นเองแต่ส่วนที่เป็นขั้นที่สี่แล้วพระจะตัดรูปกับอารูปนออกตอะนั้นพระุทธเจ้ากอเราจะทําให้ดูว่าก่อนวารสุดท้ายที่เคยเล่าแล้วเล่าอีกรลยต้องการสื่อให้เราเห็นอย่างคือ ทั้งรูปและอรูปทันวางได้คือออกจากรูปและอรูปคือไม่ติดใน่คล้อ ง, องนั่นเองจันไรคือชัดเจนแล้วแต่ไม่ได้แปลท่านทําได้ตอนนั้นทําได้ก่อนหน้านั้นแล้วทันจนชํานาญเวลาพักท่านทำจนชนานาญเอาควรู้เข้าใจไม่อใจอยู่ ข, ขออ้างในข้างนอกเป็นยังไงก็มารู้แล้วปัสสาะคือเวทนาสุขทุกขะที่เจอที่มีตแต่ผลต่อสรรสัตวทั้งหลายต่อคนท่าไหลายจากพวกเราเจ้าค่ะเนี่ย มันมันมีอิทธิพลเพราะนี้แหละเพราะเวทนาเนี่ยภาษาเราเกิดเวทนาสุขทุกข์แล้วไปยึดติดไปยึตสุขไปยุดทุกข์เพราะก่อนที่มัอวิชชาความไม่รู้นะมันกเลยต่อความยาวสาความอยู่แต่จิตของท่านได้ฝึกอยแล้วบริหารดีแล้วแต่การเรียนรู้จากการเสกรู้การเกิดขึ้นดับทันทีรู้การขึ้นดับทันทีมันรู้ว่าตอนนี้พลังที่ขึ้นเดี๋ยวสักครู่มันก็ดับรู้ละขั้นตอนของมันอาจจะตอนี้เป็นกลางวันจะพัดไปกลางคืนมันก็จะรู้ละ อาจจะมีความไม่ตกกังวลไปอะไรอย่างอื่นนะจิตของเราก็เช่นเดียวกันนะรู้การเกิดการดับอย่างนี้เป็นประจำนะในทุนเรื่องนะจิตเราก็จะรู้แค่การเกิดการดับการเกิดการดับไม่ใช่มันไม่มีเกิดไม่มีดับนะรู้แต่ทาอะไรท่านไม่ได้ท่านคือใจคือจิตไม่สามารถดีผลไม่มาเจอปฏิฆะคือกระทบกระทั่งจิตใจของเรได้ไม่สามารถที่ทำรท้ายทาลายจิตใจองกันได้เนะี่ยความมั่นคงของจิตมันเกิดขึ้น มันมีขึ้นภายในนั่นแหละคือความมั่นคงของจิตเพราะนั้นตราบใดที่จิตของเรายังไม่มั่นคงไอ้จม น, นี้เพิ่งทําให้มันมาคงโดยยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นหลักเะนั้นเบื้องต้นถึงแม้เรายัางนึกไม่ได้จึงสมาทานกล่าวภารนาถึงพุทธคุณธรรมคุณสังคุณทุกวันทั้งเชา้าและเย็นก็คือแต่วัชชาทวัรเย็นี่เอง ไม่เกกล่าวพราถึงพุทธคุณธรรมคุณสังขขนขึ้นําไปสู่ปัญหาขั้นแรกอะแต่ถ้าอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่จะเป็นนะ้ำพราณามันจะเป็นอัตโนมัติเป็นที่ใจทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องยึดเรื่องถือเรื่องอื่นๆจะไม่มีมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเพราะนี่คือที่สุดของที่สุดแล้วส่วนที่นั่งรอง ล, อ ง, ลองมาก็ไม่ต้องไปยึดไปถือนะในจิตของท่านโดยสภาวะอย่างนี้ ตัวที่คนเยี่ยงทยอ่างนี้นั่นเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจมันเป็นสมาธิอย่างหนึ่งแต่ความเชื่อแล้วมั่นใจแล้วมันก็ขังได้ขังด้วยความสมาธิด้วยความเชื่อมั่นนั่นแหละอะไรก็ได้ที่นำไปสู่ความเชื่อมัน่นหรือเป็นสมาธิถึงแม้ระยะสั้นก็ตามมันก็สามารถที่จะทำได้โดยพลังของจิตมันเป็นได้ทั้งนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาของเราศาสนาอื่นเขาก็ทําได้เรื่องจากพลังจิตเนะี่ยกํามันไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวเลยต้องเป็นพุดธคิดอิสลามมันเป็นพลังใดๆนั้นนะเขาพลังของจิตเขาก็ทําได้อันนี้ไม่แปลกแต่ว่าคนที่เข้าถึงผู้เชี่ยวประถมสูงระตันใจมันไม่มีศาสนาอื่นเขาไม่มีคือมันไม่ได้ไปไกลกว่านั้นมาได้แค่นั้นสุดท้ายมันก็ติดมัประคองอยู่แค่นั้นมันไม่ได้ไปไหนจิตต้องระพดระวังอย่างมากถ้าจิตมาติดไประคองอยู่ตรงนั้นนะเพราจิตมันกําลังจะออกกำลังจิตออกไปค่องอยู่กับสิ่งเรานี้โอ้อันตราย หนักหนาสาหับเลยไม่ใช่ตัณหาธรรมดาอันตรายมากเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเรายัางครองชานอยู่ทรงชานอยู่ก็ยังดีมันก็ตัดเอาคุณนี้ออกไปได้ก็ยังดีดูดแต่ถ้ายังคลองชานไม่ได้มทําอารมณ์ไม่ได้เมื่อจิออกจากร่างไปแล้วยังเราไม่ตกกังวลเรื่องอื่นๆนะโอ้ที่อันตรายเลือดตายแล้วมันไม่คุ้มค่าเราจึงเรียกว่าเสียชาติเกิดพะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจงภูมิใจเกิดว่าเรา เามาถูกทางแล้วมาได้ยินได้ฟังสิ่งที่มันถูกถึงเป็นธรรมชาติที่เป็นความจริงไม่ใช่ธรรมชาติรราตงนานเป็นความจริงที่พระเจ้าเรียกว่าถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกขสัจคือเป็นทุกขสัจจะคือทุกขจริงๆเข้าใจธรรมชาติของเขาทุกขจริงเข้าใจธรรมชาติของเขามาเป็นสัจจะอย่างหนึ่งมันเป็นความจริงอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ คือเข้าใจอริยะสัจ ส, สีว่ามันคือสัสจจะมันคือความจริงที่เป็นธรรมชาติมันมีอยู่ร้อยวันปันตีอย่างเนี้ยแต่ในวรรทุกขสัจทุกปัทพุเชเจอหนึงบอกว่าวนี่คืออริยะคนที่เป็นอริยะได้ก็ต้องอย่าง น, นี้ต้องเข้าใจสัสจจะอันนี้คือความจริงอันนี้แล้วก็นําประสู่การปฏิบัติให้มันเข้าใจปฏิบัติกันลดละเลิกละตอนปล่อยวางในที่สุด จนเข้าใจหลักการอย่างนี้แล้วนําสู่ปฏิบัติท่านก็จะบอกหมดเลยว่าอันนี้มันเป็นอย่างนนะผลนะอันนี้มันเหตุนะอันนี้คือวิธีดับมันนะอันนี้คือหนทางในการปฏิบัติก็คือมรรคนั่นแหละบอกไปหมดทั้งสี่ข้อข้อที่เป็นอย่างนี้นปฏิบัติทางนี้ได้ต้องอันนี้ก็ต้องสมบูรณ์ต้องเข้าใจขั้นตอนสิ่งเหล่าลนี้แบบถ้าสี่ข้อนี้เรายังไม่เข้าใจโอ้อยาก มันก็เสเ ป, ปะสปะกําหนดอะไรก็มันรู้ฟังอะไรมาก็มันรู้ปฏิบัติธรรมตามต่อๆกันมาเรียกว่าปารังปรังโบราณะคือโบราณทําต่อๆกันมาแต่โ บ, บราณก็กายเป็นความยดควถือความเชื่ออย่างน้แต่ทําไมเราไม่ออกกุฏิเจ้าเป็นหลักว่ากุฏิจอบพูดอย่างนี้สอนอย่างนี้ทําอย่างนี้ในเรื่องนี้ไม่กี่ข้อเองทำไมไปทําอายะมั ก, ก, ก, มกคือมักมีองแปร ก, ก็คืออันนี้ลูกศิษยจะเป็นธรรปัญญานีแต่ว่าท่านเอาปัญญาขึ้นก่อน ท่านั้นเองเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วควรเรียงตางรางดาบนะมาดการเข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบนั่นก็คือหนึ่งคือปัญญาขจินะที่มัน อ, อยู่ในกาย น, ะนี่คือเป็นที่มาของการเดนเดินนัง่งอย่างไงให้มันมีสติในความหมายนะอะสุดท้ายก็คือปัญญสขจิเราจะต้องเข้าใจสภาวะเช่นนั้นถ้ามันเข้าใจเสิ่งเหล่านี้โอ้ยากเลยยากที่จะเดินต่อไปเป็นต่อไปได้สุดท้ายเราก็จเปตา สุดท้ายก็ทำไปตามหูคือฟังมาก็ทําตามทําปตามตาเห็นมาก็ทําตามคือไปเชื่อหูเชื่อตาเชื่อปากก่อนอื่นแต่ไม่เชื่อตัวเองนอันตรายนะท่านผู้เจ้าบอกแล้วบอกแล้วว่าถ้าเราไม่เชื่อวระตัณฑ์ใจนะโอ้มันจะก้าวหน้าไปขนา้ยากมันไม่ใช่หนทางด้วยผู้เจ้าก็ลงสั้นๆกันแค่นี้เองครูบาอาจารย์ก็เช่นกันเวลาจะสอนแะไรก็เอาแค่นี้นะให้มันลงอยู่ที่กาให้ได้ เะ่นหลวปู่มานส อ, อนปูอ่อนก็ให้ลงที่กายนี่แหละเือการทารุณสองก็ลงที่กาให้เห็นกายยังไงให้เห็นอย่างได้จะ็หนึ่งหรือสองอย่างสา อ, อย่า ง, ส, อ ง, อางสี่อย่างหรือกรรมกทาน์ห้าก็แล้วแต่แต่ที่สำคันคือเห็นไม่ใช่เห็นธรรมดานะให้เห็นความเกิดความดับความตั้งอยู่จนแตกจนดับไปของกายนะี่ยไม่ใเห็นแค่ตัดไตเส้พุงหูตาจมูกเลี้ออยากายจนมันดับจนมันพังไปในที่สุด จะอยู่ไม่ได้คือธาตุตั้งสี่คือกายะกตาสติแล้วจะมันอยู่ไม่ได้จนเข้าใจนี่คือหลักการเพราะฉะนั้นสิ่งทุ่ครูจะสอนมาทุกเรื่องมันจะเกี่ยวลิงเชื่อมโยงกันหมดมันุษย์ในจิกรรมเฉ่ใชนั่นเรื่องหนึ่งที่เรืไม่มีแม้แต่ศีลสมาธิปัญญาก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้แยกว่าที่คือศีลนะที่คือสมาธินะที่ปัญญไม่มีถ้ามันเกิดขึ้นในใจแล้วมันจะเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นที่จะตัดเป็นมีดเป็นอาวุธ ที่จะทําลายล้างอาวิชชาคือความไม่รู้คือกลายเป็นวิชาคือความรู้รู้ยิ่งเห็นจริงแามความเป็นจริงอันนี้คือสภาวะของผู้เราที่เป้าหมายในการปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนกําลังเราอย่างน้อยอยู่เช่นศรัทธาเราน้อยก็เพิ่มศาวิริยะควเพียรมีน้อยก็เพิ่มควาเพียรสติมันแคขาดเกินเกิ น, นมีปัญหาหลักก็เพิ่มสติสมาธิ มันไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้เป็นไม่ค่อยได้เกิดไม่ค่อยได้มีเพิ่มจนเกิดปัญญาเนี่ยถ้าปัญญาทั้งห้าเนี่ยมันสมบูรณ์มันพร้อมมันมากอิสีพร้อมอิสีมาแก่ก้าอิีห้าก็ดีพระหาจะอันเดียวกันจะเรียกเป็นคนละอย่างเท่านั้นเองเพราะนั้นสรุปตอนนี้คืออินทรีย์ของเรายังไม่แก่กล้าเพราะความต่อเนื่องของมันยังไม่มีควาสัานไม่มี แต่ว่าวันนี้เอาก่อนนะเอาพรุนี้ก่อนค่อยว่ากันนะสรัทธามีนะแต่ความเพียรมันไม่ตามมาเห็นไหมมันก็จะขาดละมีสรัทธาอย่างเดียวมีแต่ก็ยังดีนะเดยกก็ไม่มีความรู้ไม่เกิดคือไม่มีในใจเลยอันนี้ลําบากเลยอายะความเพียรสรทาอยะสติความเพียรมันมีคือสมาทางเธิแต่สติมันไม่ต่อเนื่องมันจะขาดเกินๆลายเยียร์สติสมาธิมันไม่นิ่ง แล้วออกไปข้างนอกนอก็มันไม่อยู่ในกายคือกายยะคตาสติมันวไปอยู่กับกายใครก็ไม่รู้ออกนอกออกอะไรเป็นนุปุรุณบุปส่งจิตออกนอกอะอันนี้นะความหมายเดียวกันจนเกิดปัญญาคอรู้แจ้งที่จะตัดกันเป็นจริงแล้วอันนี้คือเป้าหมายในการปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนว่า น, นี่คือเป้าหมายในการปฏิบัติหรือว่า บ, บันได ที่ขั้นที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจว่าบันไดขั้แรกต้องเป็นอย่างนี้นะนเบื้องต้นโดยว่าเจ้าป้าหมาหลากหักคือเรื่องศีลเรืองอะไรไม่ต้องไปพูดถึงวัรตรตะลันใจแล้ก็ศีลอาจจะไม่ครบบางเรื่องธรรมดาทานก็ให้ทานเดีให้มีปัญญามีจะทานแต่พืชกระเพือนียสตาร์บั่งก็จะชดเชย ก, ก, ก, กันตัวศีลแต่ที่สำคัญตัวข้อสบัดตัวท้าของข้อแรกก็คือมรณะในพระสิติคือชัดเจนเลยวป้าหมายของเราจะต้องตายนะอย่างนี้เลย ผลจะมีความตายไป็นครื่องอยู่คืออยู่คืออารมณ์นั่นแหละแต่มีอารมณ์อย่างเนี้ยถ้าเป็นคุณสมบัติอย่างเนี้ยคือสมบัติ ข, ข้อแรกแล้วของเรามันก็จะมั่นคงมากขึ้นส่วนข้ออื่นมันก็จะตามมาเรื่องจังมีมากกับมีน้อยจนน้อยจนมีมันแห้งไปเองโดยอัตโนมัติอย่างมีเป็นตน้นมันก็จะรู้เองเป็นประจักษ์ตังมันจะรู้เองของคนนี้ไม่เคยบอกมันจะเป็นใน อ, อัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นทั้งนี้ก็อยู่ที่ว่า ของเก่าเรามีด้วยมาไม่ใช่เอาตอนนี้ตอนเดียวแล้วก็มึกมั่มเอาตัวจากโอไม่ได้มันมันก็ไม่ใช่บงังทีของเก่าเรายัางไม่พอก็อเพิ่มมันจะได้เป็นของใหม่ก็ได้เป็นของเก่าชาตินาชาตินู้นอย่างนั้นก็ไม่ เ, เกินเจ็ดก็ยังดีดีกว่าไม่มีทิศทางได้เลยนะโอที่ลําบากแนละ้วมีปวาหมายในชีวิตเลยโอ้ลําบากลาบากลาบากมากๆไปนั้นก็เป็นกำลังใจของเราทลายในประชา ก, การนี้อย่าลืมเร่ง ทำให้อิจอาเปให้มันแก่กล้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครูอาจารย์ก็ได้ไปชี้แนะนําเป็นกําลังใจให้พวกเราอยู่เสมออยู่ที่พวกเราแล้วว่าจะได้มากได้น้อยขนาดไหนก็จะา่าท้ออย่าถอยเป็นกําลังใจของเราทุกคนไปนั้นต่อจากานี้ก็พยายามทําตามกําลังถ้าทีเราได้ท่าทีทนเวลาเต็มที่ถ้ามีโ อ, อกาสมีเวลาเก็มันเต็มที่หน่อยจะได้ไม่เีเวลาอนี้ก็มาแล้วนี่ก็อยู่แล้ว เวลาของเราผมว่ไม่ได้มีๆๆยเยอะอแต่ละคนถึงถือว่าเวลามีน้อยเพราะนั้นทําให้เกนคุ้มค่าแล้วเราจะไม่เสียดายเลยว่าตายแล้วจะเป็นยังไงไม่ต้องเพราะว่ารายกางแรกชัดเจนเลยว่าเรารู้ว่าหมายจะจอตายแน่นอนตัวตายแล้วจะเป็นยังไงด้วยความมั่นคงของจิตใจของเราแต่ถ้าเราปฏิบัติได้ทําได้เราจะไม่กังวลเราจะไม่กังวลเรื่องอื่นเหล่านี้เรารู้ชัดเจนว่าถ้าเรามั่นคงแล้วไม่เกินจากเท่า น, นี้เอง มากกั่นี้ไม่มีนะกลองแกมันก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นออกเป็นกลองไกให้เราทุกคนอย่าท้ออย่าทาอ ย, าทายวันหนึ่งเป้าหมายข้างหน้าเพราะจะขยับเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เพราะเราเดินแต่ถ้าเราไม่เดินนั้นไม่มีทางก็ขอเราทั้งหลายได้มีเป้าหมายชัดเจนแต่เข้าใจทิศทางในการปฏิบัติจากนี้ไปเรื่อยๆมันต้องไป สิเรียบไปแต่ไปกังวลอะไรกันนันานทำทุจริตงานต่อเนื่องพิจารณาอย่่เนื่องหรือว่าออัดในการยากแต า, าสติสติอยู่ในกายขเราตลอเสมอส่วนผลของมันนั้นเราก็จะรู้ปัจจัตังแต่และคนก็ขออนุโมทนาคราวดีพวกเราทุกคนที่ตั้งจิตตั้งใจมาบ้านไกลบ้านไกลในวันตากบนตกแดดออกก็ u สา h a มาตั้งจิตตั้งใจมาขอให้อานิสงส์ผลแห่งการปฏิบัติของพวกเราในครั้งนี้คราวนี้ชาตินี้ จะเป็นพลวัตปัจจัยแก่บรรพบุรุษของเราเพระาะไม่ปุจยาตระยายหุ่นทั้งหมดขอท่านเหล่านั้นจงพระบิณฑ์แหงบุญและทีกันตั้งใจไว้เสมอว่าเราจะต้องดีก่อนนี้ต้องได้มากก่อนนี้ผลในการปฏิบัติจะต้องดีตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวเราแหละเราจะเร่งมากน้อยเดินเร็วก็ไปถึงเร็วเดินช้าก็ไปถึงช้าถ้านนั้นเองก็ขออนวญาตนะคราทุกคนขอ ร, ร้องกระดาได้มีความเจริญ ท, ท, ทางทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเพิน